อันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าวิปัสสีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยก็ทำแบบนี้จนอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพระองค์มีพระราชโอรสต่างมาต่างมาอีกอีกแม่นึงกันนะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออดีตชดินสามพี่น้องก็ไปกินบ้านเมืองไกลนู่นะนะอยากจะเข้ามาเฝ้าพระพ ร, ะราชาผู้พระบิดาแล้วก็อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้พี่ชายด้วยตอนหลังก็ทีนี้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 การหลังฝนคืออมะตะธรรมนั้นเป็นอุบายเพื่อจะกระทาให้เกิดการตรัสรู้ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในพระธรรมเทศนาทรงสั่งสอนให้สัตว์เข้าใจให้สัตว์หลายร้อยเนี่ยให้สัตว์ทั้งหลายได้ข้ามทรงอย่างหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสารบทว่าโอวาทะกะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนด้วยพันนาคุณานิสงอ น, นิสงของอะไรบ้าง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 ตารโกพระองค์ผู้ยังสัตว์เป็นอันมากให้ข้ามโอคะสี่กามโมคะพะโวคะทิโถโอคะและอวิโชคะพระศาสดาพระองค์นั้นมีพระพักเสมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญในมาคะปุรมีพระองค์เนี่ยพระพักของพระองค์นี่เสมือนพระจันทรเพ็ญ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 ราชุทยานกรุงมิถิลาอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษาเนยะยอดพา เ, เวภาระบันพ์ทรงแสดงธรรมะโปรดมหาชนที่มาชมบันพศเนี่ยนะเรียกว่ามาเที่ยวงานภูเขาเนี่ยนะโปรงยังชน9ก้าหมื่นโกนให้บวช ด, ด้วยเอเหิพิกุบันประชาอันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วทรงยกปาติโมขึ้นแสดงนั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่สอง ครั้งพระพุทธเจ้าพูดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอจำพรรษาณเวพาระบันโพธพิกิุ9ก0 0 0โกธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองอย่าลืมว่าตัวเลขโกธเนี่ยเป็นสำนวนของคนยุคนั้นเนี่ยนะอย่างเช่นแม้กระทั่งว่าในสูตรหนึ่งะที่พระองค์เกิดเป็นพรามเนี่ยนะเป็นผู้ที่ทำบุญมาก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 อันนะของโลกสามพระเจ้าจรนะพระองค์เป็นที่พึ่งของสัตว์ในการมรโลกรูปประโลกและอรูปปโลกพระองค์เปลื้องมหาชนจากเครื่องผูกเสด็จจาริกไปตามชนบทภิกษุ8ป0 0 0ื่นประชมกันเนี่ยนะพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะอย่างประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่พระองค์จะแบ่งเส้นทางจาริกอยู่3เส้นทางที่เรียกว่าตามวงกลมเนี่ยนะจาริกเป็นลักษณะวงกลม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 ทุกปีเนี่ยนะทุกปีพระพุทธเจ้าเนี่ยจาริกรอบประเทศอินเดียนเนี่ยนะสี่สิบกว่ารอบสี่สิบกว่ารอบเนี่ยนะในการจาริกเดินทางไกลามากเลยนะของเราไปไหว้สังเวชนิสถานให้ได้กี่รอบเนี่ยให้ได้สี่สิบห้าสิบรอบยนะบางคนเขาไปปีงตั้งหลายครั้งนะบางคนเขามีบุญมาก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 คำว่าพยากรก็คือทานายทักบอกตามตรงว่าในอนาคตตการในที่สุดอีกแสนกับท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าพราะนามว่าโคตมะซึ่งพร ะ, พระองค์เล่าให้ภาษารีบุทฟังเป็นคาถาว่าสมัยนั้นเราเป็นผู้ครองรัฐ ช, ชื่อว่าชดินได้ถวายพระตาหารพร้อมทั้งผ้า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 พระผู้มีพระภาคเจ้าประทุมุตระนั้นในาศาสนาของพระองค์ไม่มีพวกเดรัจฉีเทวดาและมนุษย์ทุกคนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นสารณะเลยนะเขานับถือพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้งเทวดาและมนุษย์เดรัฉานไม่เอาเป็นประมาณนะนะไม่รู้เรื่องเลยละนะนี่ก็เอาพวกเทวดาและมนุษย์พอที่จะรู้ความตั้งแต่อาเหตุตุกกะปฏิสนธิขอให้มันพอมัมนมีสภาพความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเถอะพวกนี้ได้นับถือพระพุทธเจ้าหมดนะ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งนั้นพวกเดรัจฉีผู้มีใจผิดปกติเนี่ยนะมีใจเสียถูกกาจัดมาณนะหมดบุรุษบางพวกของเดรัจฉีเหล่านั้นไม่ยอมบํารุงบําเรอคือปกติแล้วเนี่ยนะพวกเดรัจฉีทั้งหลายก็คือลทัทธิเจ้ า, าศาสดาเจ้าลทัทธิเจ้าทิฐิทิฏฐิหกสทิฐิเหล่านั้นเนี่ยนะก็เผยแพร่าพราาศาสนากันน่าดูเลยทีนี้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 ข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งข้าแต่พระผู้มีจักรสุขอพระองค์ทรงเป็นสารณะพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความเอ็นดูมีพระกรุณาสแสวงหาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ทรงอย่างเดรัจฉีที่ประชุมกันทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในศีลห้าแปลว่าให้มีสารณะมีศีลพราะศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อากูลอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีพวกลัดลัดที่อื่นๆที่จะมาทําลายนะ ในช่วงศาสนาของพ ร, ระองค์จึงว่างเปล่าศูนย์จากเดียรถีชาวลัทธิ 6, ทธิฏี่กสิ62อออกไปงดงามด้วยพระทหารทั้งหลายผู้ชำนาญและผู้คงที่บทว่านเตสังเกจิปริจารันติ พวกบุรุษแม้บางพวกคือเรียกว่าพวกสาวกของพวกเดียร์ธีเก่าก่อนนั้นน่ะไม่ทําการนวดฟันไม่ทําการถวายพิกษาหาันไม่สักการะเคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยอมลุกจากที่นั่งเพื่อต้อนรับไม่มีการทําอัญเชลีกรรมยกมือไหว้แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยขับไล่สายส่งไปเลยพวกเดียร์ธีก็เลยพากันมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบอกว่าขอพระองค์โปรดส่งเป็นศาสดา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 ศีลห้านั่นนะพันศาสนาของพระองค์ก็เลยไม่มีเดรัจฉีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมมุตระพระองค์นั้นมีพระนครที่เกิดชื่อว่าหังสาวดีพระพุทธบิดาพระเจ้าอานันทพระชนนีพระนางสุชาดาเทวีคู่อัครสาวกชื่อว่าเทวีละและพระสุชาติพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุมาณะอัครสาวิกาชื่อว่าอมิตาและอัสมา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 พักอยู่พอดีก็เลยเข้าไปหาพระพิสุทธทั้งหลายที่กำลังจงกรมเป็นต้นอยู่บอกว่าเนี่ยอยากจะเข้าเฝ้ า, าพระพุทธเจ้าพระพิสุ์เหล่านั้นก็บอกว่าอาตมาพาท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกอ่ะแล้วใครพาเข้าไปเฝ้าได้บอกไปหาพระสุมณะเถระไปถึงพระมหาสุมพระสุมาณะเถระก็จัดแจงให้ได้เข้าเฝ้าทีนี้พระญาติพระองค์นี้เนี่ยนะเห็นพระสุมณะเถระอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างานะ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 แต่ถ้าหากว่ามีคนมาทําเป็นจริงเป็นจังท่านก็ถอยไว้ก่อนพอพอคนอื่นก็ถอยท่านก็เข้าอยู่อย่างเงี้ยตลอดตอนหลังพระ อ, องค์ก็แต่งตั้งอุอปถากนะพระอา น, นุ์ก็อุปถาประจําอยู่แล้วพระ อ, องค์ก็ยกให้เป็นเอตทักขะว่าพุทธอุปถาอุปถาขนาดเรียกว่าเดินรอบพุฏิวันละ18บรอบ นะทั้งกลางคืนกลางวัน9้ารอบกลางคืน9้ารอบแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่นายไม่อิ่มที่จะเห็นอยากจะฟังแล้วท่านก็จําแม่นนะนะท่านจาแม่นมากแล้วก็ปรารถนาที่จะเข้าไปเฝ้าเพรา ะ, ะนั้นขอพรไว้ข้อหนึ่งถ้าใครมาหาข้าพระองค์ต้องพาเข้าไปเฝ้าพระองค์ได้นะทีจริงตัวเองก็อยากฟังธรรมอยู่แล้วล่ ะ, ะนะก็อยากเข้าไปเฝ้าว่า ก, กันนั้นนะนะจะท่านนนนี่จะต้องหาเหตุเลยวันนี้จะเข้า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 พระองค์ชื่อว่าสารละช้างนาวพระองค์สูง58ศอกพระสริรัศมีของพระองค์กินพื้นที่ประมาณ12บสองโยดโดยรอบพระชนมายุแสนปีอัคราเมหสีของพระองค์ชื่อว่าวัสุทตาโอรสพระนามว่าอุตระเล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมมุตระดับขันธปรินิพานณพระวิหารนันทาราม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 ก็ยังดับขันปรินิพานพันพระองค์พร้อมทั้งสาวกของพระองค์ยังชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสารตัดความสงสัยทุกอย่างก็เสด็จดับขันทะปรินิพานเหมือนกองไฟลุกโลงแล้วก็ดับไปฉะนั้น ก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็ยังว่านะก็เหมือนแสงจ้าแสงแห่งดวงอาทิตย์ใช่ไหมยามกลางวันเช่นนี้ใครคิดนะว่าจะมีกลางคืนยามที่สว่างร้อนอนะนะแต่อยู่ข้างนอกด้วยอากาศอบอ้าวร้อนระอุเนี่ยนะใครเนาจะคิดว่าจะมีกลางคืนนะนะใครเนาะจะคิดว่าจะมีกลางคืนบ้างฉันใดยามที่มีพระพุทธศาสนาใครที่ไม่พยายามภาคเพียรทํากิจ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 พบมาในสภาพที่มีแต่คนทุ่ศีเนี่ยจะอยู่กันยังไงเนี่ยนะเพราะนั้นก็พยายามที่จะภากเพียงก่อนที่จะเสื่อมมากกว่า น, นี้ก็รีบเร่งรีบเจริญเธอเนี่ยนะไม่ต้องไปห่วงว่าคนอื่นเขาจะเสื่อมเราเรามากลัวว่าคนที่พูดนี่แหละเสื่อมเพราะฉะนั้นรักษาตัวให้ดีอย่าเสื่อมกันละกันเนี่ยนะ เ, เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับ